เจ็ดสัตกาณิบาท 1. กุกุวักหมวดว่าด้วยมาตราวัดศอก 1. กุกุชาดกว่าด้วยมาตราวัดศอกพระราชาตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าช่อฟ้าสูงศอกครึ่งโดยรอบกว้างประมาณแดคืบ ช่อฟ้านั้นทํำด้วยแก่นไม้สีเสียษไม่มีกระพีตั้งอยู่บนอะไรจึงไม่ตกลงมาจากข้างบนพระโพธิสัตว์ทูลตอบว่าช่อฟ้าที่จันทร์ทันสาสิบตัวซึ่งทําด้วยไม้แก่นไม่ตรงวางเรียงรายไว้เสมอกันค้ายันไว้และติดแน่นอย่างแข็งแรงตั้งอยู่เสมอกันจึงไม่ตกลงมาจากข้างบนแม้พระราชาผู้ทรงพระปีชาก็เช่นกัน มีมิตรไมตรีที่สนิทเป็นคนสะอาดไม่แตกแยกสงเคราะห์ด้วยดีย่อมไม่คล้ไปจากสิริเหมือนช่อฟ้าที่จันทรนช่วยยึดไว้คนมีมีดเมื่อไม่ปอกผลมะง้วที่มีเปลือกแข็งออกก็ย่อมทำให้มีรสขมเมื่อปอกเปลือกออกก็ทำให้มีรสดีขึ้นขอเดชะแต่เมื่อปอกเปลือกบางออกก็จะทำให้รสไม่ดีข้อนี้ฉันใด แม้พระราชาผู้ทรงพระปีชาก็ฉันนั้นไม่ทรงบีบคั้นชาวบ้านทรงรวบรวมพระราชทรัพย์ปฏิบัติพระราชพารกิจตามธรานองคลองธรรมทรงทรแต่ความเจริญไม่ทรงเบียดเบียนผู้อื่นบัวมีรากขาวเกิดแต่น้ำสะอาดในสระบกครณีเปลือกตมฝนละอองและน้ำย่อมไม่ติดดอกบัวที่บานเพราะดวงอาทิตย์ฉันใด พระราชาผู้มีความสะอาดในการวินิจฉัยคดีไม่ทรงหุนหันมีการงานบริสุทธิ์ปราศจากบาปก็ฉันนั้นเหมือนกันกรรมกิเลสย่อมไม่แปดเปื้อนเพราะพระราชาเช่นนั้นเปรียบเหมือนบวที่เกิดแล้วในสระบกรณีกุกกุชาดกที่หนึ่งจบ 2. มโนชาชาดกว่าด้วยราชสีมโนชา สุนักจริงจอกประรบกับตนเองว่าเพราะคันธนูโก่งและสายธนูส่งเสียงดังพญาเนื้อมโนชะสหายของเราจึงถูกฆ่าทางที่ดีเราจะหนีเข้าป่าไปตามสบายเสียแต่เดี๋ยวนี้แหละผู้ที่ตายแล้วเช่นนี้เป็นเพื่อนกันไม่ได้เราเมื่อยังมีชีวิตอยู่ต้องได้เพื่อนใหม่พ่อราชสีมโนชะกล่าวว่าผู้ที่คบคนชั่วย่อมไม่ได้รับความสุขอย่างแท้จริง ดูเถิดเจ้ามโนชานอนตายเพราะคำสั่งสอนของสุนัขจิ้งจอกคิริยะแม่ราชสีมโนชากล่าวว่าแม่ไม่ยินดีเลยลูกคบคนชั่วจงดูเถิดเจ้ามโนชานอนตายจมกองเลือดของตนเองน้องสาวราชสีมโนชากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่กระทำตามถ้อยคำของผู้เกื้อกูลแอนะประโยชน์ต้องเป็นเช่นนี้และประสบแต่ความเลว เมียราชสีมโนชะกล่าวว่าผู้ที่เป็นคนชั้นสูงแต่มาคบคนชั้นต่ำย่อมเป็นคนเลวกว่าคนชั้นต่ำนั่นเสียอีกจงดูเถิดพญาเนื้อชั้นสูงมาคบสุนักจิ้งจอกชั้นต่ำถูกกำลังลูกสอนกำจัดแล้วด้วยประการชนนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนคบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนๆการครบคนที่ดีกว่าย่อมเจริญเร็วพลัน เพราะเหตุนั้นจงคบคนที่ดีกว่าตนเถิดมโนชาชาดกที่สองจบสสุตนาชาดกว่าด้วยสุตนะโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กล่าวว่าท่านมค拉เทพผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไซนี้พระราชาทรงส่งพัตหานที่ปรุงด้วยเนื้อที่สะอาดมาให้ท่านท่านจงออกมาบริโภคเถิดยักษ์กล่าวว่ามาเถิดมานบ จงวางพักษาหารที่พี่พร้อมเลือกกับข้าวลงมานพเจ้าก็จะเป็นพักษาหารจะเป็นพักษาหารทั้งสองอย่างพระโพธิสัตว์กล่าวว่ายักษ์ท่านจะละทิ้งประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพราะเหตุเพียงเล็กน้อยชนทั้งหลายที่หวาดระแวงความตายจะไม่นําพักษาหารมาให้ท่านนี่ยักษ์ท่านจะได้พักสาหารที่สะอาดปราณีตมีรสอร่อยเป็นประจำทุกวัน กเมื่อท่านกินเราเสร็จแล้วคนที่จะนำพระสารารมาให้ท่านในที่นี้จะหายได้ยากอย่างยิ่งยักษ์กล่าวว่าพ่อสุตนะเนื้อความตามที่ท่านพูดเป็นประโยชน์แก่เราทีเดียวเราอนุญาตท่านขอให้ท่านจงกลับไปพบมารดาด้วยความสวัสดีเถิดพ่อมานพท่านจงนำพระขันฉัดและถาดไปด้วยขอมารดาของท่านจงพบความสวัสดี และขอให้ท่านจงพบมารดาพระโพธิสัตว์กล่าวว่านี่ยักษ์ขอท่านพร้อมกับหมูาตาทั้งหมดจงเป็นสุขเช่นกันเถิดเราก็ได้ทรยบแล้วและเราก็กระทำตามพระราช อ, องค์การแล้วสุตนาชาดกที่สจบ 4. มาตุโปส ก, กะคิดชะชาดกว่าด้วยพญาแรงโพธิสัตว์เลี้ยงมารดาแรงรำพึงรำพันว่า พ่อแม่ของเราแก่เท่าอาศัยอยู่ที่ซอกเขาจะกระทำอย่างไรนอเราก็ติดบ่วงตกอยู่ในอำนาจของนายพรานนิลยะลูกนายพรานถามว่านี่นกแรงเจ้ากำลังคร่าครวญหรือคร่าครวญไปทำไมเราไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นนกที่พูดภาษามนุษย์ได้แรงตอบว่าเราเลี้ยงพ่อแม่ผู้แก่เท่าซึ่งอาศัยอยู่ที่ซอกเขา ท่านทั้งสองนั้นจะทำอย่างไรหนาเพราะเราตกอยู่ในอำนาจของท่านเสียแล้วลูกในพรานกล่าวว่าธรรมดานกแรงย่อมเห็นซากศพได้ไกลถึงร้อยโยดไม่ใช่หรือเพราะเหตุไรเจ้าแม้มาใกล้ข่ายและบ่วงแล้วก็ไม่รู้แรงกล่าวว่าเมื่อใดสัตว์มีความเสื่อมในขณะจะสิ้นชีวิตเมื่อนั้นถึงจะมาใกล้ข่ายและบ่วงก็ไม่รู้ลูกในพรานกล่าวว่า เจ้าจงเลี้ยงพ่อแม่ผู้แก่เท่าซึ่งอาศัยอยู่ที่ซอกเขาเถิดเราอนุญาตเจ้าจงไปพบพวกญาติ ด, ด้วยความสวัสดีเถิดแรงกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นในพรานขอท่านจงบันเทิงใจพร้อมกับหมู่ญาติทั้งหมดเถิดเราจะเลี้ยงพ่อแม่ผู้แก่เท่าซึ่งอาศัยอยู่ที่ซอกเขามาตัวโปส ก, กะคิชะชาดกที่สี่จบห้า ทัพพระปุกพระชาดกว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกชื่อทัพพระปุกพระนาคที่เที่ยวไปในน้ําลึกพูดกับนาคที่เที่ยวไปตามริมฝั่งว่าเพื่อนผู้เจริญเพื่อนผู้เที่ยวไปตามริมฝั่งจงวิ่งตามเรามาเถิดเราจับปลาใหญ่ได้แล้วมันพาเราไปอย่างรวดเร็วนาคที่เที่ยวไปตามริมฝั่งพูดว่าเพื่อนผู้เจริญเพื่อนผู้เที่ยวไปในน้ําลึก จงจับมันไว้ให้มั่นคงด้วยกำลังเราจะยกมันขึ้นมาเหมือนนกครุฑโฉบงูขึ้นนาคทั้งสองพูดกับสุนัขจิ้งจอกว่าพวกเราเกิดวิวาทกันขึ้นพ่อทัพพระปุกผะจงฟังเราเพื่อนจงระ ง, งับความทะเลาะกันขอความวิวาทจงสงบไปสุนัขจิ้งจอกกล่าวว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมพิจารณาคดีมาแล้วม า, มากมายเพื่อน เราจะระ ง, งับความทะเลาะกันความวิวาจงสงบไปนาคตัวที่เที่ยวไปตามริมฝั่งจงเอาหางไปตัวที่เที่ยวไปในน้ำลึกจงเอาหัวไปส่วนท่อนกลางนี้ตกเป็นของเราผู้ตั้งอยู่ในธรรมนาคทั้งสองพูดกันว่าถ้าเราไม่ทะเลาะกันจกมีอาหารไปนานวันสุนัขจิ้งจอกคาบเอาปลาตะเพียนที่ไม่ใช่ท่อนหัวท่อนหางไปเสียแล้วเมียสุนัขจิ้งจอกถามว่า วันนี้เรายินดีเพราะเห็นผัวมีหน้าเบิกบานเหมือนขัติยราชทรงยินดีเพราะได้ราชสมบัติทำไมน้อท่านเกิดอยู่บนบกจึงจับปลาในน้ำได้นี่ท่านผู้ร่วมชีวิตฉันถามแล้วโปรดบอกท่านได้มาอย่างไรสุนักจิ้งจอกตอบว่าเพราะการทะเลาะกันสัตว์จึงภ่ายพอมทรัพย์จึงสิ้นไปพวกนาคเสื่อมเพราะการทะเลาะกันแม่มายาวี เธอจงกินปลาตะเพียนเถิดในหมู่มนุษย์ก็เช่นเดียวกันเกิดการทะเลาะในที่ใดก็จะพากันไปหาผู้ตั้งอยู่ในธรรมในที่นั้นผู้วินิจฉัยคดีนั้นเป็นผู้ตัดสินให้พวกเขาในการทะเลาะนั้นก็จะพากันหมดสิ้นซับไปพระคลังหลวงก็จะเพิ่มพูนทัพพระปุปภชาดกที่ห้าจบ 6. ทัสนกาชาดกว่าด้วย ดาบแควนทสัส น, นักะพระราชาตรัสถามอายุระบันดิตว่าดาบแควนทสัส น, นักะคมกริบดื่มเลือดของคนที่ถูกต้องชายผู้นี้เกลิ่นเข้าไปท้ำกลางชุมชนเหตุอื่นใดที่ทำได้ยากกว่านั้นมีอยู่หรือเราถามแล้วจงบอกเหตุนั้นอายุระบันดิตทูลตอบว่า ชายผู้นี้กลืนดาบคมกริบที่ดื่มเลือดของคนที่ถูกต้องเข้าไปได้เพราะความโลภแต่ผู้ใดพูดว่าจะให้คำพูดของเขาทำได้ยากกว่าการกลืนดาบนั้นเหตุอย่างอื่นทั้งหมดทำได้ง่ายขอเดชะพระเจ้ามัวะผู้สมมติเทพขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้พระราชาตรัสถามปุกุศะบัณฑิตว่าอายุระบัณฑิตผู้ฉลาดในธรรม ได้แก้เนื้อความแห่งปัญหาแล้วบัดนี้เราจะถามท่านปุกุสะบัณดิตบ้างเหตุอื่นใดที่ทำได้ยากกว่านั้นมีอยู่หรือเราถามแล้วท่านจงบอกเหตุนั้นปุกุสะบัณดิตทูลตอบว่าวาจาที่เปล่งออกมาคนอาศัยไม่ได้ไม่มีผลแต่ผู้ใดให้แล้วไม่ติดใจการกระทำของผู้นั้นทำได้ยากกว่านั้นเหตุอื่นทั้งหมดทาได้ง่าย ขอเดชะพระเจ้ามทวะผู้สมุติเทพขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้พระราชาตรัสถามเสนกะบัณฑิตว่าปุกุสะบัณฑิตผู้ฉลาดในธรรมได้แก้เนื้อความแห่งปัญหาแล้วบัดนี้เราจะถามท่านเสนกะบัณฑิตบ้างเหตุอื่นใดที่ทำได้ยากกว่านั้นมีอยู่หรือเราถามแล้วท่านจงบอกเหตุนั้นเสนกะบัณฑิตทูลตอบว่า ทานจะน้อยหรือมากก็ตามคนก็ควรจะให้แต่ว่าผู้ใดเมื่อให้แล้วภายหลังไม่เดือดร้อนการให้ของผู้นั้นทำได้ยากกว่าเหตอื่นทั้งหมดทำได้ง่ายขอเดชะพระเจ้ามัทวะผู้สมุติเทพขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้พระราชาตรัสดุดีพระโพธิสัตว์ว่าตามที่เสนกะบัดตกล่าวมาย่อมครอบคลุมปัญหาทุกข้อ อายุรบัณฑิตและบุกุสะบัณฑิตเรียกกล่าวแก้แล้วถ้าสันากะชาดกที่หจบ 7. เสนากะชาดกว่าด้วยเสนากะบัณฑิตเสนากะบัณฑิตกล่าวว่าท่านมีจิตฟุ้งซ่านมีดวงตาบอบช้ำหยาดน้าําตาก็ไหลออกจากในตาทั้งสองของท่านอะไรของท่านหายหรือท่านต้องการอะไรจึงมาที่นี้ พ่อพรามเชิญพูดมาเถิดพรามกล่าวว่าวันนี้เมื่อเข้าพเจ้าไปถึงบ้านพัญญาต้องตายเมื่อไปไม่ถึงบ้านเข้าพเจ้าต้องตายเทวดาบอกไว้เพราะทุกนี้เข้าพเจ้าจึงหวาดกลัวท่านเซนกะบัณดิตโปรดบอกเหตุนี้แก่เข้าพเจ้าเซนกะบัณดิต ก, กล่าวว่าเข้าพเจ้าพิจารณาเหตุหลายประการแล้วกล่าวเหตุใดในเหตุนี้ เหตุนั้นแน่นอนจักเป็นเรื่องจริงพ่อพราหม์เข้าไปเจ้าเข้าใจว่างูเห่าได้เลื้อยเข้าไปในถุงย่ามเข้าศัตรูของท่านโดยท่านไม่รู้ตัวท่านจงเอาท่อนไม้เคาะถุงย่ามดูเถิดจะเห็นงูมีลิ้นสองแฉกมีน้ำลายฟูมปากท่านจะตัดความเคลือบแคลงสงสัยเสียได้วันนี้ท่านจะได้เห็นงูจงแก้ถุงย่ามเถิดพระศาสดาตรัสว่า พราหมณ์นั้นมีท่าทางสยดสยองได้แก่ถุงย่ามข้าวศัตรูออกท่ามกลางชุมชนขณะนั้นงูร้ายมีพิษร้ายแรงเลื้อยออกมาแผ่พังพานพราหมณ์กล่าวสดุดีพระราชาว่าพระเจ้าชนกทรงได้ลาบดีแล้วที่ได้ทรงพบเสนกะผู้มีปัญญาดีพราหมณ์ท่านเปิดเผยข้อที่ปกปิดได้หนอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างญาณของท่านมีกําลังยิ่งนะัก พราม์ต้องการจะสุดุดีเสนกะบัณฑิตจึงกล่าวว่าเขาพเจ้ามีทรัพย์อยู่เจ็ดร้อยกหาปณ ะ, ะนี้เชิญรับไปทั้งหมดเถิดเขาพเจ้าให้ท่านเพราะเขาพเจ้าได้มีชีวิตในวันนี้ก็เพราะท่านซ้ำท่านยังเรียกทำความสวัสดีแก่พัญญาของเขาพเจ้าด้วยเสนกะบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่รับค่าจ้างเพราะคาถาอันวิจิตที่กล่าวดีแล้วพ่อพราหมณ์แต่นี้ไป ขอให้คนทั้งหลายจงช่วยกันให้ซับแก่ท่านท่านจงนำไปยังที่อยู่ของตนเถิดเสนกะชาดกที่เจ็จบ 8. อัอธิเสนชาดกว่าด้วยอธิ เ, นเสนฤสีพระราชาตรัสถามฤสีอัธิเสนว่าพระคุณเจ้าอัธิเสนโยมไม่รู้จักวันิพภพวกนี้เลยแต่พวกเขาได้พร้อมใจกันมาขอากับโยม ทำไมพระคุณเจ้าจึงไม่ขอโยมบ้างเรศีอัติเสนะทูลตอบว่าผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักผู้ไม่ให้ของที่ขอก็ไม่เป็นที่รักเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงไม่ขอมหาประพิขอความหมางใจอย่าได้มีแก่อาตมาภาพเลยพระราชาตรัสว่าผู้ใดเลี้ยงชีพอยู่ได้ด้วยการขอไม่ขอสิ่งที่ควรขอในการอันควร ผู้นั้นทำลายผู้อื่นเสียจากบุญทั้งตนเองก็เลี้ยงชีพอยู่ไม่ได้ส่วนผู้ใดเลี้ยงชีพอยู่ได้ด้วยการขอขอสิ่งที่ควรขอในการอันควรผู้นั้นทำผู้อื่นให้ได้บุญทั้งตนเองก็เลี้ยงชีพอยู่ได้ผู้มีปัญญาทั้งหลายเห็นยาจกมาแล้วไม่รังเกียจข้าแต่พระคุณเจ้าผู้ประพฤติพรหมจรรย์พระคุณเจ้าเป็นที่รักของโยม ในมวลพระคุณเจ้ากล่าวขอสิ่งที่ต้องการเถิดเรศีอัติเสณทูนว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมไม่ขอเลยส่วนนักปราชญ์ควรจะรู้เองพระอริยะเพียงเจาะจงยืนเท่านั้นนี้เป็นการขอของพระอริยะพระราชาตรัสว่าท่านพราหมย์่ยมขอถวายโคแดงพันตัวพร้อมกับโคจ่าฝูงแก่ท่าน เพราะพระอริยะได้ฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของพระกุณเจ้าแล้วจะไม่พึงถวายแก่พระอริยะได้อย่างไรอัธิเสนาชาดกที่8จบ 9. กปิชาดกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้บริหารหมูนะ่คณะพระโพธิสัตว์กล่าวให้โอว่าแก่ฝูงลิงว่าบัณฑิตไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่คนคู่เวรกันอยู่ เพราะบุคคลเมื่ออยู่ในระหว่างคนเป็นคู่เวรกันคืนหนึ่งหรือสองคืนก็ตามย่อมอยู่เป็นทุกข์ลิงตัวหัวหน้ามีจิตเรรวนเพราะทำตามลิงที่มีจิตเรรวนมันได้ทำความพินาศให้แก่ฝูงเพราะลิงตัวเดียวเป็นเหตุสัตว์โง่แต่สำคัญตนว่าฉลาดเป็นผู้นำฝูงรู้อำนาจใจของตนเองก็จะต้องนอนตายเหมือนอย่างลิงตัวนี้ สัตว์โง่มีแต่กำลังเป็นผู้นำฝูงไม่ดีเพราะไม่เกือ้อกูลแก่หมู่ญาติเหมือนนกต่อไม่เกือ้อกูลแก่นกทั้งหลายส่วนสัตว์ฉลาดมีกำลังเป็นผู้นำฝูงดีเพราะเกือ้อกูลแก่หมู่ญาติเหมือนท้าววาสวะเกือ้อกูลแก่หมู่เทพชั้นเดวะดึงส่วนผู้ใดตรวจดูศีลปัญญาและสุตตะในตนผู้นั้นย่อมประพฤติประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนและผู้อื่น เพราะเหตุนั้นนักปราชญ์พึงตรวจดูตนเหมือนตรวจดูศีลปัญญาและสุตะแล้วบริหารหมู่คณะบ้างปฏิบัติอยู่ลำพังผู้เดียวบ้างกปิชาดกที่เกจบ 10. พภะกะพรมมชาดกว่าด้วยพระและศีลของภะกะพรมภะกะพรมกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมพวกข้าพระองค์ทั้งเจ็สิบสองคน ได้กระทําบุญไว้มีอำนาจพ้นชาติและชราการถึงความเป็นพรหมนี้เป็นชาติสุดท้ายสำเร็จด้วยพระเวทชนทั้งหลายไม่ใช่น้อยกล่าวนามส ก, การพวกข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าท้าพระกะพรหมท่านสำคัญอายุใดว่ายืนยาวความจริงอายุนั้นน้อยไม่ยืนยาวเลยเราตถาคตทราบอย่างชัดแจ้งถึงอายุหนึ่งแสนิรุพุทธของท่าน ะก็กระพรมกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสว่าเราตถาคตเป็นผู้เห็นไม่มีที่สิ้นสุดพ้นชาติชราและความโศกเสียได้พรตและศีลครั้งก่อนของข้าพระองค์เป็นเช่นไรขอพระองค์จงตรัสบอกพรตและศีลที่ข้าพระองค์ควรจะรู้แก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านได้ช่วยให้มนุษย์เป็นจํานวนมากที่มีความกระหาย ถูกความร้อนแผดเผาให้ได้ดื่มน้ำนั่นเป็นพรตและศีลครั้งก่อนของท่านเราตถาคตระลึกได้เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมาการที่ท่านได้ปล่อยหมูชนซึ่งถูกจับที่ฝั่งแม่น้ำเอณินำไปเป็นเฉลยนั่นเป็นพรตและศีลครั้งก่อนของท่านเราตถาคตระลึกได้เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมา ท่านใช้กำลังเข้าข่มได้ปลดปล่อยเรือที่พญานาคดุร้ายยึดไว้ที่กระแสะแม่น้ำคงคาเพราะต้องการจะทำลายมนุษย์นั่นเป็นพรตและศีลครั้งก่อนของท่านเราตถาคตระลึกได้เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมาอันหนึ่งเราตถาคตได้เคยเป็นศิ์ของท่านชื่อว่ากัปปะสำคัญท่านว่ามีปัญญาประกอบด้วยวัดปฏิบัตินั่นเป็นพรตและศีลครั้งก่อนของท่าน เราตาคาคตระลึกได้เหมือนหลับแล้วเติ่นขึ้นมาพระกะพรมกล่าวสดุดีพระผู้มีพระภาคว่าอายุของข้าพระองค์นี้พระองค์ทรงทราบชัดแน่นอนทั้งอย่างอื่นก็ยังทรงทราบด้วยเพราะพระองค์ทรงเป็นพุทธะอย่างแท้จริงเพราะพระองค์ทรงเป็นพุทธะนั่นแหละจึงทรงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ทรงทาพรหมโลกให้สว่างสวยอยู่ พระกะพรหมชาดกที่10จบกุกุวักที่หนึ่งจบโรมชาดกที่มีในวักนี้ 1. กุกุชาดก 2. มโนชชาดก 3. สุตนชาดก 4. มาตุโปสกะคิชาชาดก 5. ทัพพปุพชาดก 6. ทัศนกชาดก 7. เซนกะชาดก 8. อัธิเสนชาดก 9. กปิชาดก 10. บพะกะพรหมชาดก 2. คันธารวักหมวดว่าด้วยคันธารดาบท 1. คันธารชาดก ว่าด้วยคันธารดาบทโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ตอว่าวิเทหาดาบทว่าท่านละทิ้งหมู่บ้านจำนวนถึงหนึ่งหมื่นหกพันหมู่บ้านและเรือนครังที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติบัดนี้ยังทำการสะสมอยู่อีกวิเทหาดาบทแย้งว่าท่านละเคว้นคันธาระซึ่งมีทรัพย์และน้ำดื่มสมบูรณ์เลิกจากการสั่งสอน ทำไมเดี๋ยวนี้จึงยังสั่งสอนอยู่ในที่นี้อีกเล่าพระโพธิสัตว์กล่าวว่าท่านวิเทหาดาบทเข้าพระเจ้ากล่าวธรรมเข้าพระเจ้าไม่พอใจอาธรรมเลยบาปย่อมไม่แปลปื้นเข้าพระเจ้าผู้กล่าวธรรมวิเทหาดาบทกล่าวว่าแม้หากวาจาจะมีประโยชน์มากแต่ผู้อื่นได้รับความขัดเคืองใจเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งวาจานั้นบัณฑิตก็ไม่ควรจะกล่าว พระโพธิสัตว์กล่าวว่าบุคคลเมื่อถูกตักเตือนจะโกรธหรือไม่โกรธก็ตามหรือจะโปรยความโกรธเช่นกับโปรยแกลบทิ้งก็ตามแต่บาปก็ไม่แปดเปื้อนข้าพเจ้าผู้กล่าวทำพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหากชนจํานวนมากไม่มีความรู้เป็นของตนหรือไม่ได้ศึกษาวินัยอย่างดีก็จะพึงเที่ยวไปเหมือนกระเบือบอร์ดเที่ยวไปในป่าก็แหละเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้ ได้ศึกษาดีแล้วในสำนักของอาจารย์ฉะนั้นจึงเป็นผู้มีวินัยได้รับการแนะนำแล้วมีจิตตั้งมั่นดีแล้วเที่ยวไปขันธารชาดกที่หนึ่งจบ 2. มหากปิชาดกว่าด้วยพยาลิงโพธิสัตว์พระราชาตรัสถมพยาลิงว่าพยาลิงเจ้าทอดตัวเป็นสะพานให้ลิงเหล่านี้ข้ามไปโดยสวัสดี เจ้าเป็นอะไรกับลิงเหล่านั้นลิงเหล่านั้นเป็นอะไรกับเจ้าพญาลิงกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้ปราบข่าศึกข้าพระองค์เป็นพญาลิงผู้เป็นใหญ่ปกครองฝูงลิงเหล่านั้นผู้มีทั้งความเจ้าโศกและความกลัวต่อพระองค์ข้าพระองค์ได้พุ่งตัวซึ่งมีเถาวัลยผูกติดที่สองเท้าหลังอย่างมั่นคงไปจากต้นไม้นั้นประมาณชั่วร้อยคันธนูที่ปลดสายแล้ว ข้าพระองค์นั้นพุ่งออกไปตามลมเข้าหาต้นมะม่วงนี้ดุดเมฆถูกลมพัดขาดเมื่อไปไม่ถึงจึงใช้เท้าหน้าทั้งสองจับกิ่งมะม่วงกลางอากาศนั้นข้าพะเจ้านั้นถูกกิ่งไม้และเถาวันขึงอยู่เหมือนสายผินพวกลิงใช้เท้าเหยียบข้ามไปโดยสวัสดีการผูกด้วยเถาวันนั้นไม่ทำให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนถึงตายก็ไม่เดือดร้อนขอข้าพเจ้าได้นาความสุข มาให้แก่ฝูงลิงที่ข้าพเจ้าปกครองอยู่เท่านั้นขอเดชะพระราชาผู้ปราบข้าศึกนี้เป็นอุปมาสำหรับพระองค์ขอพระองค์ทรงสดับข้ออุปมานั้นเถิดข้อพระราชามหากษัตผู้ทรงทราบชัดควรจะสแสวงหาความสุขมาให้แก่ชนทั้งปวงคือทั้งชาวแคว้นพานะพล น, นิกายและชาวบ้านมหากปิชาดที่สองจบ 3. กุมภการาชาดกว่าด้วยนายช่างหม้อพระปจเจกระพุทธเจ้าสีองค์กล่าวกับพระโพธิสัตว์องค์ละคถาว่าอาตมาได้เห็นต้นมะม่วงกลางป่าเขียวเาอุ่มงอกงามผลิดอกออกผลสะพรั่งอาตมาได้เห็นมะม่วงต้นนั้นถูกทำลายเพราะผลเป็นเหตุครั้นเห็นเช่นนั้นจึงเที่ยวพิขาจาร์ออกบวช กำไรแก้วคู่หนึ่งที่นายช่างผู้ชาญฉลาดเจรนายแล้วเป็นของเกลี้ยกล่ที่สตรีสวมใส่ย่อมไม่เกิดเสียงดังแต่เพราะสวมใส่วงที่สองเข้าจึงได้มีเสียงดังอาตมาเห็นเช่นนั้นแล้วจึงเที่ยวพิขาจา์นกจำนวนมากพากันรุมจิกตีนกตัวหนึ่งซึ่งกำลังคาบชิ้นเนื้อมาอยู่เพราะอาหารเป็นเหตุอาตมาได้เห็นเช่นนั้นแล้วจึงเที่ยวพิขาจาน อาตามาได้เห็นโคผู้มีหนกกระเพื่อมมีสีสันและมีกำลังอยู่ท่ามกลางฝูงโคอาตามาได้เห็นมันขิดโคผู้ตัวหนึ่งเพราะการเป็นเหตุครั้นเห็นเช่นนั้นแล้วจึงเที่ยวพิขาจารย์พระโพธิสัตว์กล่าวกับพัญญาว่าพระเจ้ากรันทกะราชาแห่งแควนกาลิงคะพระเจ้านักชิราชาแห่งแควนขันทาระพระเจ้านิมิราช ราชาแห่งแคว้นวิเทหะและพระเจ้าทูมะมุขะราชาแห่งแคว้นปัญจาละทรงละทิ้งแคว้นเหล่านั้นแล้วหมดความกังวลทรงผนวดแล้วแม้พระราชาทุกพระองค์เสมอด้วยเทพเจ้าเสด็จมาประชุมกันย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟที่ลุกโชนนี่น้องหญิงผู้มีโชคถึงพี่ก็จะเป็นเหมือนพระราชาเหล่านี้จากละกามซึ่งมีประการต่างๆแล้วเที่ยวไปผู้เดียว พัญญากล่าวว่าเวลานี้เท่านั้นเหมาะที่จะบวชเวลาอื่นไม่เหมาะภายหลังคงจะไม่มีผู้ที่จะพร่ำสอนดิฉันท่านผู้มีโชคถึงดิฉันก็จะเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนสกุลนีที่รอดพ้นจากมือคนพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพวกเด็กๆรู้จักของดิบของสุก ข, ของเค็มและของจืดอาตมาเห็นเช่นนั้นแล้วจึงบวช น้องหญิงจงเที่ยวพิขาจานไปเถิดอาตามาก็จะเชี่ยวพิขาจานไปกุมภการชาดกที่สาจบ 4. ทันหะธรรมชาดกว่าด้วยพระเจ้าทันหธรรมช้างกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าถึงหากข้าพระเจ้าจะขนลูกศรผูกติดที่อกไปเผชิญหน้ากับศัตรูในสนามรบก็หาได้ทําให้พระเจ้าทันหธรรมโปรดรานไม่ หน้าที่ทหารอันเกลียงไกรและการรับใช้สื่อสารที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติเป็นอย่างดีในสงครามพระราชาไม่ได้ทรงทราบแน่ข้าพเจ้านั้นคงต้องตายอย่างขาดพวกพ้องไร้ที่พึ่งอาศัยแน่จะเห็นได้ดังที่พระราชทานข้าพเจ้าแก่นายช่างหม้อให้ทำหน้าที่ขนอุจจระพระโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่าบุคคลบางคนยังหวังประโยชน์อยู่ตราบใด ก็ยังคบหากันอยู่ตราบนั้นเมื่อไร้ประโยชน์พวกคนโง่ก็ทอดทิ้งเขาไปเหมือนกษัตริย์ทรงทอดทิ้งช้างพังชื่อโอถิพยาธิผู้ใดเขาทำความดีทำประโยชน์ให้ก่อนก็ไม่รู้จักคุณประโยชน์ทั้งหลายที่เขาปรารถนาก็ย่อมฉีบหายไปผู้ใดเขาทำความดีทำประโยชน์ให้ก่อนก็รู้จักคุณอยู่เสมอ ประโยชน์ทั้งหลายที่เขาปรารถนาก็ย่อมเจริญยิ่งขึ้นเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอากราบทูลพระองค์ขอพระองค์จงทรงพระเจริญตลอดทั้งประชาชนที่มาประชุมกันณที่นี้ขอท่านทุกคนจงเป็นผู้กตัญญูจงดํารงอยู่ในสวรรค์สิ้นกาลนานท่านหาธรรมชาดกที่สจบ 5. โสมทัตตชาดก ว่าด้วยลูกช้างชื่อสมมทั์ดาบุตรคร่ำครวญหาช้างน้อยว่าเมื่อก่อนสมมาทั์พ่อช้างน้อยมีอธิยศสยขว้างขวางมาต้อนรับเราแต่ไกลในป่าวันนี้หายไปไหนจึงไม่เห็นช้างเชือกที่นอนตายเหมือนยอดเถ า, า, าย่านทรายที่ถูกเด็ดทิ้งคือเจ้าสมมทัศนี่เองเจ้ากุญชรล้มลงนอนที่พื้นดินตายเสียแล้วหนา เท้าศักกะตรัสกับดาบทว่าการที่ท่านบวชเป็นสมณะพ้นจากการครองเรือนไปแล้วยังมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่เป็นการดีเลยดาบทกล่าวกับเท้าสักกะว่าเท้าสักกะเพราะการอยู่ร่วมกันแลความรักจึงเกิดในหัไทยของมนุษย์หรือของเนื้ออาตมาจึงไม่สามารถที่จะไม่เศร้าโศกถึงลูกเนื้อนั้นได้เท้าสักกะตรัสว่า ชนเหล่าใดร้องไห้บนเพ้อรำพันถึงคนที่ตายแล้วและคนที่จะตายสัตว์บุรษุษทั้งหลายกล่าวการร้องไห้ว่าเปล่าประโยชน์ท่านฤาษีเพราะฉะนั้นท่านอย่าร้องไห้ไปเลยพราหมณ์สัตว์ที่ตายละโลกนี้ไปแล้วจะพึงลุกขึ้นได้เพราะการร้องไห้เราทุกคนก็คงมาประชุมกันร้องไห้ถึงหมู่ญาติของกันและกันด้บทกล่าวสดุ ด, ดีเท่าสักกะว่า พระองค์ช่วยระ ง, งับอาตมาผู้เร่าร้อนให้สงบดับความกระววกระวายทั้งหมดได้เหมือนคนเอาน้ําราดดับไฟที่ติดเปลียงพระองค์ได้บรรเทาความเศร้าโศกถึงบุตรของอาตมาผู้กําลังเศร้าโศกชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความเศร้าโศกซึ่งเสียหัวใจของอาตมาขึ้นได้แล้วหนอท้าววาสวะอาตมาซึ่งพระองค์ช่วยถอนลูกศรคือความเศร้าโศกขึ้นได้แล้ว เป็นผู้ปราศจากความเศร้าโศกไม่มีความขุ่นมัวจึงไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคำของพระองค์โสมะทัตตชาดกที่ห้าจบ 6. สุสีมาชาดกว่าด้วยพระเจ้าสุสีมาออกโผนดพระโพธิสัตว์โอว่าตนเองว่าเมื่อก่อนผมสีดำได้งอกบริเวณศีรษะวันนี้ผมเหล่านั้นมีสีขาว สุสีมะเจ้าเห็นแล้วจงประพฤติธรรมเถิดเวลานี้เป็นเวลาสมควรที่จะประพฤติพรหมจรรย์พระราชเทวีทูลพระราชาว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมุติเทพผมงอของหม่อมฉันไม่ใช่ของพระองค์ผมงอกงอกบุญศีรษะของหม่อมฉันหม่อมฉันได้ทูลคำเทศพระหวังทำประโยชน์แก่ตนเองขอเดชะพระราชาผู้ประเสริฐ ขอพระองค์พระราชทานอภัยแก่มอมฉันสักครั้งหนึ่งเถิดขอเดชะพระมหาราชพระองค์ยังทรงหนุ่มน า, นาทัศนาทรงดำรงอยู่ในปฐมวัยงามประดุจยอดไม้ขอพระองค์ทรงครอบครองราชสมบัติและทรงสนพระไทยมอมฉันขอพระองค์อย่าดวนประพฤติพรหมจันทร์ที่ให้ผลตามการเลยพระราชาตรัสกับพระราชเทวีว่า เราเห็นสาววัยรุ่นมีผิวพรรณเกลี่ยงเกลาร่างกายงดงามสวนทรงเฉิดฉายเจ้าหล่อนมีกิริยาละมุนละไมประดุดดังเถาหญ้านางประหนึ่งว่าปลาเล้าประโลมกิเลสกรรมยามไปใกล้บุรุษเพศต่อมาเราเห็นหญิงนั้นมีอายุถึง80ปีหรือ90ปีนับแต่เกิดถือไม้เท้าตัวสั่นงันงกมีกายค่อมลงเหมือนกรอนเรือนเที่ยวไปอยู่ เรานั้นเมื่อพิจารณาใคร่ครูนถึงเหตุอันนั้นแหละจึงนอนอยู่ถ้ำกลางที่นอนคนเดียวและพิจารณาเห็นว่าถึงเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นจึงไม่ยินดีในการครองเรือนเวลานี้เป็นเวลาสมควรที่จะประพฤติพรหมจรรย์ความยินดีของผู้ครองเรือนเปรียบเหมือนเชือกที่ผูกยึดเหนียวไว้นักปราทั้งหลายตัดเชือกนั้นแล้วไม่มีความอาลัยและกามาสุขไป สุสีมะชาดกที่หกจบเจโกตสิมะพลิชาดกว่าด้วยเทวดาผู้สถิตยอยู่ที่ต้นนิ้วใหญ่พญาครุฑกล่าวกับรุกเทวดาว่าข้าพเจ้าจะพญานาคตัวยาวตั้งพันวามาไว้พญานาคและข้าพเจ้านั้นมีร่างกายใหญ่โตท่านยังรองรับไว้ได้ไม่สะทกสะทานโกตสิมภะลิเทพบุตรเพราะเหตุใด เมื่อท่านรองรับนางนกน้อยตัวนี้ซึ่งมีเนื้อน้อยกว่าข้าพเจ้าจึงมีความกลัวจนตัวสัน่นรุคเทวดากล่าวกับพญาครุฑว่าพญาครุฑตัวท่านกินเนื้อเป็นอาหารส่วนนกนี้กินผลไม้เป็นอาหารนกตัวนี้กินเมล็ดใส่เมล็ดดีปลีเมล็ดมะเดือ่อและเมล็ดโพแล้วจากทายรถลำต้นข้าพเจ้า ต้นไม้เหล่านั้นจะเจริญงอกงามอยู่ระหว่างกิ่งของข้าพเจ้าต้นไม้เหล่านั้นจะเริงรัดปกคลุมข้าพเจ้าจักทำให้ข้าพเจ้าไม่เป็นต้นไม้แม้ต้นไม้เหล่าอื่นมีรากและลำต้นมั่นคงที่ถูกนกตัวนี้นำพืชมาทำลายก็มีอยู่ต้นไม้ทั้งหลายที่งอกขึ้นมาจะเติบโตเกินต้นไม้เจ้าป่าแม้ที่มีลำต้นใหญ่โตพยาครุษเพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าเมื่อเห็นภัยในอนาคตจึงสะทกสถานพญาครุฑกล่าวว่าบุคคลพึงระแวงภัยที่ควรระแวงพึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงเพราะภัยที่ยังมาไม่ถึงนักปราชญ์จึงได้พิจารณาเห็นโลกทั้งสองโกตะสิมพลิชาดกที่เจ็จบ 8. ทูมการิชาดกว่าด้วยพรามผู้ก่อไฟรมควัน พระศาสดาตรัสขยายอาการถามของพระธ น, นชยในอดีตว่าพระเจ้ายุทธิถิละผู้ใคร่รำได้ตรัสถามวิทุระบัณฑิตว่าพรามเจ้าทราบบ้างไหมมีใครคนหนึ่งเศร้าโศกมากพระโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่ามีพรามวาเสตโคดบูชาไฟอยู่ในป่ากับฝูงแพ้ไม่เกียจคร้านก่อไฟรมควันทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยกลิ่นควันไฟนั้นของเขาพวกละมั่งถูกยุงรบกวนจึงได้เข้าไปอยู่ใกล้พราหม์ผู้ก่อไฟรมควันตลอดฤดูฝนเขาพอใจพวกละมั่งเลยไม่เอาใจใส่พวกแพะมันจะมาหรือจะไปก็ไม่รับรู้แพะเหล่านั้นของเขาจึงพินาศไปเมื่อป่าไร้ยุงในฤดูใบไม้ร่วงพวกละมั่งก็พากันเข้าไปยังซอกเขาและต้นน้ำลำาําธาร พราหมณ์เห็นพวกละมั่งจากไปแล้วและพวกแพะก็ถึงความพินาศจึงสู้ผอมมีผิวพันธ์หมนมองและเป็นโรคผอมเหลืองด้วยประการเช่นนี้ผู้ใดไม่สนใจคนเก่าของตนรักแต่คนมาใหม่ผู้นั้นก็จะโดดเดี่ยวเศร้าโศกมากเหมือนดังพราหมณ์ผู้ก่อไฟรมควันทูมกาลิชาดกที่8ดจบ 9. กชาคระชาดก ว่าด้วยผู้หลับและตื่นรุกเทวดาถามพระโพธิสัตว์ว่าในโลกนี้เมื่อเขาตื่นใครหลับเมื่อเขาหลับใครตื่นใครจะเข้าใจปัญหานี้ของเราหน้อใครจะตอบปัญหานี้แกเราได้พระโพธิสัตว์ตอบว่าเมื่อพวกเขาตื่นอยู่ข้าพเจ้าหลับเมื่อพวกเขาหลับข้าพเจ้าตื่นอยู่ข้าพเจ้าเข้าใจปัญหานี้ข้าพเจ้าขอตอบท่าน รุกเทวดาถามว่าเมื่อพวกเขาตื่นท่านหลับอย่างไรเมื่อพวกเขาหลับท่านตื่นอย่างไรท่านเข้าใจปัญหานี้อย่างไรท่านตอบข้าพเจ้าได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าคนเหล่าใดไม่รู้จักธรรมว่านี้เป็นสัญญะและว่านี้เป็นธรรมะเมื่อคนเหล่านั้นหลับอยู่ข้าพเจ้าก็ตื่นอยู่นะสิเทวดา ชนเราได้คลายราคระโทสะและอวิชชาได้แล้วเมื่อชนเหล่านั้นตื่นอยู่เข้าไปเจ้าก็หลับนะสิเทวดาเมื่อท่านเหล่านั้นตื่นอยู่อย่างนี้เข้าไปเจ้าก็หลับเมื่อท่านเหล่านั้นหลับแล้วอย่างนี้เข้าไปเจ้าก็ตื่นเข้าไปเจ้าเข้าใจปัญหานี้อย่างนี้จึงตอบท่านอย่างนี้รูุกขเทวดากล่าวสดุดีพระโพธิสัตว์ว่าถูกแล้วเมื่อเขาตื่นท่านหลับเมื่อเขาหลับท่านตื่น ท่านเข้าใจปัญหานี้ถูกต้องแล้วจึงตอบเราได้ถูกต้องชาคระชาดกที่เก้าจบ 10. กุมมาสะปิ น, นทิชาดกว่าด้วยอนิสงฆ์ถวายขนมกุมมาศพระราชาทรงอุทานบทเพลงท่ามกลางระสกนิกรว่าได้ยินว่าการบำรุงพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นทมอันไม่ต่ำซามมีพลรรานิสงไม่น้อยเลย เชิญดูพรานิสงค์แห่งก้อนขนมกลุ่มมาทั้งแห้งทั้งจืดดูเถิดช้างโคมาจำนวนมากเหล่านี้รวมทั้งทรัพย์ทั ญ, ญชาตพื้นปฐพีทั้งสิน้นทั้งเหล่านารีผู้มีรูปงามเทียบด้วยนางอับสรเหล่านี้เป็นพรานิสงค์ของก้อนขนมกลุ่มมาศพระราชเทวีกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะพระองค์ผู้องค์อาจประดุจพญากุญชร ผู้เป็นใหญ่ในกุศลรธรรมพระองค์ตรัสพระคาถาอยู่เนืองๆขอเดชะพระองค์ผู้พดุงแคว้นให้เจริญหมอมฉันขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์ผู้มีพระหทัยเบิกบานอย่างยิ่งตรัสบอกเถิดพระราชาตรัสกับพระราชเทวีว่าเราได้กเกิดในตระกูลหนึ่งในเมืองนี้เองเป็นคนรับจ้างทำงานให้คนอื่นเป็นผู้สารวมศีล เราออกไปทํางานได้เห็นสมณะสีรูปสมบูรณ์ด้วยอาจาระและศีลเยือกเย็นไม่มีอาสวะเรายังจิตให้เลื่อมใสในสมณะเหล่านั้นนิมนต์ให้นั่งบนเครื่องล่าที่ทําด้วยใบไม้เลื่อมใสแล้วได้ถวายขนมกลุ่มมาศแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยมือทั้งสองของตนกุศลกรรมนั้นได้มีผลแก่เราเช่นนี้เราได้สวยราชสมบัตินี้ คือแผ่นดินที่ประเสริฐมั่งคั่งสมบูรณ์พระราชเทวีตรัสดุดีพระราชาว่าพระองค์เมื่อพระราชาทานให้ก็จงสวยเถิดอย่าได้ทรงประมาทขอเดชะพระองค์ผู้เป็นใหญ่ในกุศ ล, ลธรรมขอพระองค์ทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปขอเดชะพระราชาผู้เป็นใหญ่ในกุศ ล, ลธรรมขอพระองค์อย่าประพฤติอธรรมจงทรงรักษาธรรมเถิด พระราชาตรัส ก, กับพระราชเทวีว่าพระธิดาของพระเจ้าโกศลผู้งดงามเรานั้นได้ประพฤติตามทางที่พระอริยะได้ประพฤติมาแล้วนั้นอย่างสม่ำเสมอเพราะพระอารหันต์ทั้งหลายเป็นที่ชอบใจของเราเราต้องการพบท่านนี่พระราชธิดาผู้แสนดีของพระเจ้าโกศลพระนางงดงามท่ามกลางหมู่นารีเหมือนเทพอับซรพระนางได้กระทํากรรมดีอะไรไว้ เพราะเหตุไรเล่าพระนางจึงมีพระชวีวันงดงามยิ่งนักพระราชเทวีทูลว่าขอเดชะจอมกษัตริย์มอมฉันได้เกิดเป็นทาสีรับใช้ผู้อื่นแห่งตระกูลเศรษฐีอัมพัทธโคตสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมมีศีลไม่เหลียวดูความชั่วในการครั้งนั้นมอมฉันได้ถวายข้าวที่โคดมาเพื่อตนแก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต หม่อมฉันเองปลื้มใจดีใจกรรมของหม่อมฉันนั้นมีผลเช่นนี้กุมมาสะปินธิชาดกที่สิบจบอปรันตปะชาดกว่าด้วยปรันตปะมหาดเล็กมหาดเล็กชื่อปรันตปะปราบทูลพระราชเทวีว่าบาปคงจะมาถึงข่าพระองค์ภัยคงจะมาถึงข่าพระองค์เพราะในคราวนั้น คนหรือสัตว์ได้ทำกิ่งไม้ให้ไหวปุโรโหิตคิดถึงพัญญาจึงบ่นเพ้อว่าความกระสันของข้าพเจ้ากับหญิงผู้หวาดกลัวซึ่งอยู่ไม่ไกลจกทำให้ข้าพเจ้าผอมเหลืองแน่เหมือนกิ่งไม้ทำให้เจ้าปรันตะปะผอมเหลืองแม่การดาผู้มีความงามหาทิติไม่ได้อยู่ในบ้านก็จะทให้ข้าพเจ้าเศร้าโศกจะกระทำให้ข้าพเจ้าผอมเหลือง เหมือนกิ่งไม้ทําให้เจ้าปรันตปาผอมเหลืองหางตาที่หยาดเยิม้มซึ่งเจ้าหล่อนชําเลืองมาการยิ้มและการเจรจาจะกระทําให้ข้าพรเจ้าผอมเหลืองเหมือนกิ่งไม้ทําให้เจ้าปรันตปาผอมเหลืองปรันตปะกล่าวกับพระกุมารว่าเสียงนั้นได้มาแน่แล้วเสียงนั้นได้บอกแก่ท่านแน่แล้วผู้ที่สั่นกิ่งไม้นั้นได้บอกเหตุนั้นแน่ สิ่งที่เราผู้เป็นคนโง่คิดแล้วว่าก็ในคราวนั้นคนหรือสัตว์ได้ทำกิ่งไม้ให้ไหวสิ่งนี้แลได้มาถึงแล้วพระกุมารตรัสว่าเจ้าได้สํสำนึกแล้วสิว่าตามที่เจ้าเรียกข้าพ่อของเราเอากิ่งไม้ปิดไว้คอยระแวงอยู่ว่าภัยจกมาถึงตัวเราปรันตปะชาดกที่11อจบคันธารวักที่สองจบ รวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. คันธะชาดก 2. มหากปิชาดก 3. กคุมภการชาดก 4. ทัธนหธรรมชาดก 5. สมัตตชาดก 6. สุสีมาชาดก 7. โกสิมพริชาดก 8. ทุมการิชาดก 9. าชาคราชาดก 10. กุมมาสะปินทิชาดก 11. ปรันตะปะชาดกรวมวักที่มีในนิบาทนี้คือ 1. กุกุวักค 2. คันธารวักจัตกะนิบาตจบ